มาฟังเพลงต่อไปครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ครับเพลงนี้ที่เพลงรอไม่ไหวครับเคยรอเธอรอ้วยชีวิต เพราะฉันเชื่อในความรักของเราเธอบอกให้รอก่อนแล้วฝันก็คงจะเกิดขึ้นสักวันรอเธอมาจนปานนี้ไม่เห็นจะมี รักเธอด้วยน้ำตาหรือฉันต้องรอแตกเธอ ที่เราเธอก็เป็นเลยกให้ทิ้งไปพอที่เรื่องเธอกับฉันเพราะฉันรอเธอไม่ไหวแล้วเธอลาก็อขอโทษ คงต้องหา ฉันรอเธอไม่ไหวแล้วเธอลาก่อนขอโทษเธอความรักก็คง ฉันรอเธอไม่ไหวจริงๆขอบคุณครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดพอไหวไหมครับ